28. ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวงเล็บเปิดยีกุมภาพันสองพัจุดจุดนาที35วงเล็บปิดผู้รู้ตรงข้ามกับผู้คิดผู้ตื่นตรงข้ามกับผู้หลับผู้หลงอย่างเวลาที่เราใจลอยไปตรงที่สติระลึกได้ว่าเมื่อกี้ใจลอยไปแล้วนี่จะมีภาวะแห่งความรู้เกิดขึ้นสั้นๆ น, นิดเดียวอันนี้แหละคือภาวะแห่งการรู้หรือรู้ตัว ส่วนผู้เบิกบานนี่พอเรารู้ไปเรื่อยๆนะจิตเนี่ยพออยู่เฉยๆแค่มีสตินะจิตจะเบิกบานขึ้นมาเองซึ่งจะเกิดขึ้นแว บ, บเดียวจะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลย